ฉนั้นถ้าถ้าสิ่งเหล่านี้ยังน่าปรารถนาอยู่อย่า ก, กล่าวว่าตัณหาเหล่านี้จกไม่เกิดถ้าถ้าเอานะถ้าถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันมั น, ม, นมันน่าปรารถนาที่สุดนะอย่าคิดว่าเราจะไม่ชอบเปรียบเหมือนอย่างว่าเคยเห็นนะเด็กๆ เ, เนี่ยแม่เขา้าเขารู้นิสัยลูกหลานดีใช่ไหมเขาไปซื้อขนมมาเนี่ย รู้ว่าขนมอันนี้เนี่ยตอนนั้นลูกชอบไหมไม่ชอบแต่ถ้ามีขนมอันนี้ลูกต้องชอบเลยใช่ไหมก็รู้ว่าเหมือนกับว่าเป็นเครื่องล่อให้ให้ลูกเนี่ยนะชั้นใดพวกนี้ก็เหมือนกันมันเป็นขนมหวานของตัวเนี่ยกามราคากับภวะราคาที่ใดมีการาคะาที่นั่นมีมานะไหมมีไหมมีที่ใดมีภาวะราคะที่นั่นมีมานะไหมมี บางครั้งกามราคาก็มีทิฏฐิเกิดร่วมด้วยบางครั้งภวะราคะก็มีทิฏฐิเกิดร่วมเป็นะนะอวิชชาเขาก็ไม่เลือกแล้วเกิดร่วมหมดนะอันพวกนี้จึงเป็นที่ตั้งแห่งอนุสัยกิเลสทั้งหมดเลยแต่บางอย่างก็เป็นโดยบางอย่างก็เป็นแบบอะไรนะสหาชาตะบางอย่างก็ในฐานะเป็นอารมณ์ อย่างเช่นมโนเนี่ยตัวมโนนะผวังเนี่ยไม่มีโอกาสเป็นสหาชาตะเลยใช่ไหมมโนไม่มีโอกาสเป็นสหาชาตะกับบาปอากุศลกิเลสเลยแต่เป็นอารมณ์ของอกุศลเป็นอารมณ์ของกิเลสได้ตัวธรรมะบางอย่างเนี่ยนะธรรมะนี่ก็แบ่งแบ่งตามชาตินะเป็นบางอย่างก็เป็นกุศลชาติอกุศลชาติวิบากชาติ กิริยาชาติถ้าวิบากใดอขออภัยถ้าธรรมะใดเป็นอกุศลสิ่งนั้นเนี่ยเป็นทั้งเกิดร่วมด้วยกับอกุศลและก็เป็นอารมณ์ของอกุศลแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นคือกุศลวิบากกิริยาและรูปเพราะธรรมะนี่รวมทึงรูปด้วยถ้าเป็นรูปพวกนั้นเป็นอารมณ์ของ อนุสัยได้อย่างเดียวไม่สามารถเกิดร่วมได้ร่วมด้วยกับอนุสัยพันธะผู้ที่ทำปริญญาในสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะชําแรกได้เนี่ยนะก็ต้องเห็นอมตะบทนั่นแหละ ป, ป, ป, ปัจจัยของอะไรเป็นอารมณ์ะธรรมะเป็นอารมณะปัจจัยของโวญญาณเอ่อพวกนี้ในฐานะเป็นทาวารไง อ๋อเป็นเป็นอยู่แล้วก็โดยทั่วไปก็ประตูปะของมโนวิญญาณนะแต่ถ้ามันจะมีอาวัชนะตรงนี้อีกตัวหนึ่งถ้าอาวชนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอนันตระปัจจัยเป็นต้นอนันตรูปนิสยปัจจัยแต่ทั่วไปนี่เน้นประตูปะนนัแต่ก็ประตูไม่ได้ไกลอะไรประตูปนิสยปัจจัยก็ติดกันนั่นแหละ ซึ่งคนที่จะวิเคราะห์ไอ้ลำพังที่เรียกว่ามโ น, โนได้เนี่ยนะก็ก็ยอมรับว่าปริยัตต้องดีมากๆเลยแหละจึงจะวิเคราะห์พวกพวกนี้ได้ถ้าไม่งั้นเนี่ยปุตตชนทั้งหลายโดยทั่วๆไปนะอย่างความคิดเราที่เกิดขึ้นเนี่ยการที่จะแนกกรรมและผลของกรรมก็ไม่ใช่ง่ายถ้าถ้าความรู้เรื่องปริยัตรหรือคาสอนมาไม่ดี น, นะอย่างเราคิดอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยนะ เราคิดไหมว่ามันจะเป็นกรรมเป็นเป็นบุญเป็นกรรมอะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นกรรมเนี่ยเราจะคิดไหมความคิดเราที่เราคิดอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยคิดเรื่องอะไรก็ตามเถอะถ้าความรู้ไม่ดีก็ไม่ค่อยยอมรับว่าเป็นกรรมถ้าไม่ยอมรับว่าสิ่งนี้คือกรรมแล้วเราจะยอมรับวิบากต่อไปหรือเพราะฉะนั้นการศึกษาปริยัตินั้นจึงสําคัญมากแล้วก็การกําหนดปัจจัยเนี่ยอาศัยด้วยศรัทธาและโดยการฟังเนี่ยนะเหตุผลสองประการนะ โดยศรัทธาและโดยการฟังผู้ที่คิดเรื่องปัจจัยได้เองเลยก็มีอยู่สองท่านนะดังกล่าวไปคือพระพุทธเจ้ากับพระปัจเจกับพพุทธเจ้าเฉพาะชาติสุดท้ายนะชาติก่อนหน้านั้นก็เรียนมาจนแล้วก็นางพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะเจอพระพุทธเจ้ามาทั้งหมด24พระองค์ทรงพระไตยปิดกมาไม่น้อยกว่า5้าพระองค์ คือเกิดทันพระพุทธเจ้า24พระองค์เนี่ยนะได้บวชแล้วทรงพระไตรบิฎกไม่ต่ํากว่าหองค์องค์ที่เหลือก็อาจจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบ้างทําบุญอย่างอื่นๆบ้างอาจจะไม่ได้บวชบ้างแต่ว่ารวมๆแล้วอย่างแม้กระทั่งชาติที่ชาติพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะพระนามว่ากัสปะท่านทรงพระตตยบิฎกแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่ไม่นานก็ได้ฌาอนอภิญญามหมดแล้ ว, ลวผู้มีความสามารถสูงมาก ความสามารถของพระโพธิสัตว์จนรู้ว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่ใช่นิพพานโดยที่ไม่ต้องมีคนบอกซึ่งสมัยนั้นน่ะคนสมัยนั้นเขาเชื่อว่าเป็นนิพพานเนี่ยนะซึ่งพระองค์ไม่เชื่อเพราะพื้นฐานสังสมมาดีเพราะฉะนั้นของเราทั้งหลายถ้าจะวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่อาศัยสุตะมาเป็นอย่างดีก็ค่อนข้างยากอันสุตะอย่างดีเนี่ยคืออะไรบ้างก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะอาศัยมโนกับธรรมะ เกิดมโนวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมการเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเมื่อเวทนาสําคัญอ่ะสำวจความรู้สึกกับสิ่งใดชื่อว่าจําหมายในสิ่งนั้นอันนั้นก็เป็นสัญญาขันอันน่ะถ้าทั้งมีเวทนาและมีสัญญาในสิ่งนั้นเนี่ยคิดหรือว่าจะไม่เป็นกรรมอันนั้นก็เป็น กายกรรมวจจีกรรมและมะโนกรรมน่ยนะทีนี้กรรมเหล่านี้เนี่ยเวทนาเป็นตัวกาหนดตัณหาโดยโดยโด ย, โดยตรงใช่ั้มว่าถ้าโสมนัตเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาที่เป็นอกุศลต้องเกิดร่วมกับตัณหาแน่นอนโดยเฉพาะโสมนัตเวทนานะถ้าอุเบกขาก็อาจจะโมหะแต่ว่าโดยรวมๆทั้งโสมนัตทั้งอุเบกขาก็เกิดร่วมกับตัณหา โทสะในขณะนั้นยังไม่มีตันหาแต่เป็นปัจจัยที่สําคัญของตันหาเนี่ยนะสับยิ่งใหญ่มากนะครอย่างที่ถามว่าขณะที่คนโลภะเกิดเนี่ยนะกับคนที่เกิดโทสะเกิดในขณะนั้นต่อไปเนี่ยใครจะมีตันหารุนแรงกว่ากันนะคนที่มีโทสะจะมีตันหาที่รุนแรงกว่าในตอนหลังกว่าคนที่กําลังมีราคาดังที่อุปมาว่า คนหิวกับคนอิ่มนะคนอิ่มก็สบายใช่ไหมโลภะในความสบายในความอิ่มกับคนที่กำลังหิวจัดเนี่ยนะใครต้องการอาหารมากที่สุดถึงกับฆ่ากันเพื่ออาหารก็ได้เนี่ยนะเพื่อจะแย่งอาหารตัวนั้นนะระะน่ะพันกรมโทสะนี่จะมีตันหาที่มีกำลังมากนั้นทั้งโสมนัสโทมณัตอุเบกหาก็ถือว่าพูดถึงตันหาอยู่ในตัวทีนี้เรื่องทั่ ว, วไปเนี่ยนะ ในขณะนั้นมีวิตกวิจารณ์ร่วมด้วยจริงแต่เราคิดเรื่องนั้นแค่นั้นหรือคิดอยู่แค่นั้นใช่ไหมขณะที่แค่ประจบกับอารมณ์ในขณะแค่รับอารมณ์กลับบ้านแล้วยังเอาไปคิดต่ออีกเนี่ยนะก็เอาไปคิดนะนะบางเรื่องเนี่ยคิดอยู่นั่นแหละทำไมมันคิดมากขนาดนั้นก็ไม่รู้เปลืองความคิดจะแย่อยู่ละพูการมีบ่อยไหมเปลืองความคิดมากนเคิดทําอะไรเนี่ยนะก็รู้อยู่แล้วว่ามันคิดจบแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้สับครอบสักหน่อย ไปคิดมากังวลในความคิดอีกจะคิดมากไปแล้วมันก็ตัวตรึกถึงถ้าเรื่องไหนคิดจนชํานาญนะโดยทั่วไปท่านเรียกว่าวิจารณ์ถ้าชํานาญมากะนะถ้าเช่นตรึกจนชํานาญเช่นตรึกเรื่องเมตตาจนได้ฌานถ้าชํานาญมากจริงๆอะ่ะไม่ต้องตรึกอีกก็ได้คลออย่างเดียวก็ได้นะก็มีฌานที่ละวิตกมีเหลือแต่วิจารณ์ก็ได้ถ้าชํานาญยิ่งกว่านั้นก็ไม่ต้องมีวิตกวิจารณ์ แต่ถึงไม่มีวิตกวิจารเนี่ยถามว่ายังมีเวทนาอยู่ไหมมียังมีสัญญาไหมมีเป็นเจตนาเป็นกรรมไหมเป็นนนะถามว่าถ้ายังมีเวทนาเนี่ยนะพ้ น, พ, นพ้นแดนโคจรแห่งตันหาไหมเพราะฉะนั้นหลังจากออกจากฌานก็ยังตัญหาเกิดต่อแต่ตัญหาที่ยินดีในฌานเนี่ยนะเขาไม่เรียกว่าเป็นกาลมฉชันท่านิวร์ ตันหาท่ายินดีในฌานะไม่เรียกว่ากามาฉันท่านิวน์ถามว่าถ้าตันหาชอบฌานเนี่ยฌานจะเสื่อมไหมไม่เสื่อมแต่ถ้าเป็นการมาฉันท่าชอบรูปเสียงเป็นต้นฌานเสื่อมไม้ยเสื่อมเพราะฉะนั้นถ้าตันหาที่ชอบฌานจริงๆชฌานไม่เสื่อมเพราะนั้นเป็นนิวเป็นอกุศลอันนั้นเขาไม่เรียกว่านิวณ์ะนะเพราะว่าไม่ได้ทำให้ฌานเสื่อมอะไรแต่ก็เป็นอะไร ภาวะราคานะก็ยินดีในฌานพอถ้าภาวะราคะมันเสื่อมมาต่อก็เป็นเนี่ยวัวะตะจักรของชีวิตจริงๆก็เป็นไปอยู่อย่างนี้การเอาปีรูปสาตรูปทั้งหมดมาจำแนกเนี่ยเพื่อให้รู้อะไร เพื่อให้รู้อะไรคุณชู ส, สีอ่าเพื่อให้รู้ที่เกิดของตัญหานะถ้าลองสาวมาครั้งแรกเลยเนี่ยอริยศัสตร์มีสประการใช่ไหมหนึ่งทุกขอริยศัสตร์ทุกอริยศัสตร์เป็นฉนาชาติชาราพยาธิมรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมนัตอุปาญาติวิปโยคทุกสัมปโยคทุกไม่สมปรารถนาว่าโดยย่อก็คือขันธา ขันห้าคือตัวทุกข์ไหมทีนี้ขันห้าที่เป็นทุกข์แล้วขันห้ามันคืออะไรล่ะคะนี้ถ้าจําแนกมาตามทวารต่างๆเนี่ยก็คือขันห้าตามทวารต่างๆซึ่งในอัตติกาวิสุทธิมรรคหรือแม้กระทั่งปฏิสัมพิธามรรคเนี่ยจำแนกเลยว่าตอนแรกท่านจะขึ้นขันก่อนขึ้นขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วมาต่อด้วย ทวารหกอารมณ์หกวิญญาณหกภาษาหกเพื่อจะได้เห็นความเป็นไปของขันห้5ว่าขันห้ามันเป็นไปตามแนวนี้นะถ้าเป็นในมหาธิปโธรปรมสูสุก็จะแสดงขันห้าในอะไรแสดงขันห้าในทวาร6แสดงปฏิจจสมุบาทในทวาร6แล้วก็ถ้าเป็นที่อื่นเช่นโลกะนินโรธาสูตรก็แสดงเหตุเกิดของโลกตามทวาร6 นั่นก็ก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละเพีเยงแต่มากขยายมากขยายน้อยตามตามอะไรถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเอาอินทรีย์ของผู้ฟังเป็นเกณฑ์นะพระพุทธเจ้าไปเทศที่ไหนเนี่ยต้องได้ผลธาตคือหมายความว่าเขาจะต้องได้บรรลุมรรคผลหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยพรองเจงจัดจากไปหรือเขาจะต้องได้ถึงไตรสรณคมแต่ว่าว่าโดยรวมๆแล้วในละแวกน่นนะจะต้องมีบรรลุอย่างน้อยหนึ่งคนจึงจากไป แต่ถ้าไปแค่หลักลักษณะเรียกว่าไปโชว์ตัวไม่มีทีนี <c oughs> <c oughs> <c <c ้ต่อไปนะว่าเมื่อพวกนี้เนี่ยนะคือขันห้าขันห้าคือสิ่งที่เป็นอะไรชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตทีนี้ ถ้าว่าโดยรวมๆเหมนะเราทั้งหลายก็เป็นผู้ที่มีชาติครอบงําก็เพลิดเพลินในชาติเป็นธรรมดาเพลิดเพลินในชราเป็นธรรมดาเพลิดเพลินในมรณะโศกกระปริเทวะทุกขโทมานัสอุปาญาตเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่มีทุกข์เป็นธรรมดาก็เพลิดเพลินในความทุกข์เป็นธรรมดาอีกเพราะฉะนั้นจึงไม่พ้นจากความทุกข์เพั้นพวกนี้จึงเป็นที่ตั้งแห่งแห่งทุกข์คือ ถ้าถ้าเราพิจารณาให้ดีๆนะพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยเก่งจริงๆคือพระองค์เนี่ยตรัสเรื่องชาติชรามรณาโศกาะปริเทวะทุกโทมานัตอุปายาตแล้วมาจำแนกพวกนี้เป็นเป็นทวารหกบอกว่าถ้าตัณหาจะเกิดนะมันเกิดที่นี่แหละเพราะพวกทุกข์ทั้งหลายนั่นแหละเป็นที่เป็นวัตถุของตัณหาตัณหาเนี่ยมีอารมณ์ที่ไม่ใช่ทุกข์ได้ไหม ได้ไหมมีนิพพานเป็นอารมณ์ไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นตานหามันชอบแต่ทุกข์ขั์ด้วยกันนั่นแหละมันไม่ไปชอบอย่างอื่นหรอกถึงบอกว่าอ้ามันชอบบัญญัติบัญญัติก็เป็นบัญญัติที่อาศัยทุกข์อีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นชื่อว่าชอบเรื่องทุกข์เอาสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งนะเขาชอบนะชอบนายคอควายเนี่ยสมมติว่าชอบนายคอควายเนี่ยนายคอควายนี่เป็นอะไร เป็นบัญญัติใช่ไหมเป็นโวหารถามว่ามีขันห้ารองรับอยู่ไหมจึงเรียกว่านายคอควายก็มีขันห้ารองรับเนี่ยถ้าเป็นโวหารเฉยๆ ว, ว่านายคอควายเนี่ยใครจะไปเอาแต่เนื่องจากว่ามีเนี่ยคอควายเฉยๆนะ้ะฟังอย่างนี้เราอาจจะไม่เพราะนะแต่ชื่อแบบนี้เนี่ยเพราะนะใช่ไหมก็คอควายนำหน้าก็ว่าไปเนี่ยนะใครชื่อคอควายนำหน้าบ้างก็นัเนนะย วันปั๊บมีมีอะไ ร, รองรับก็มีขันรองรับอยู่ดีเพราะฉะนั้นถึงชอบโวหารโวหารก็ต้องมีสภาวะรองรับใช่อย่างในจริงน่นในอะไร น, นในเรื่องอดีตของนาโคสกะนะโคสกะเศรษฐีใช่ไหม พอคนใช้เนี่ยเข้าไปไปดูแลไอ้ชายหน่มชื่อโคสกะเนี่ยคนพูดเสียงดังนะเนี่ยเาก็เรียกโคสกะเสร็จแล้วหญิงอ่าคนชายเนี่ยเขาก็ไปดูแลอุปถักานายโคสกะคนนี้นะเสร็จแล้วก็งานที่นายสาวที่ใช้ให้มาทำมันก็ช้าพอนเวลาขึ้นไปก็ไปบอกว่ามัวแต่ดูแลนายโคสกะลูกเศรษฐีบ้านโน้นอยู่นะ บอกว่าพอฟังเท่านั้นแหละราคาก็กําเริบ ม, มากเลยตอนชื่อทั้งหลายเนี่ยก็เนื่องจากมีขันรองรับะนะก็เลยจึงปรารถนาเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นบัญญัติทั้งหลายก็เป็นบัญญัติที่อาศัยทุกขะส่วนใหญ่อย่างนิพานเนี่ยเอาอะไรมาบัญญัติว่าเป็นนิพานเอาเอาอะไรมามาบัญญัติทั่วๆไปเนี่ยนะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นชื่อที่เรียกว่าอาศัยสังขตะทั้งนั้นแหละมาเปรียบในเรื่องของ พระ น, นิพพานพระนิพพานปฏิเสธสังคตะเช่นนิพพานนะอย่างนี้นิพพานก็มาจากนี้ไม่มีใช่ไหมวานะคือเครื่องร้อยรัดเย็บเอาไว้นะก็คือสภาพที่ไม่มีสมุทัยสัตว์นั่นแหละ น, นะก็ปฏิเสธว่าไม่มีตัณหาเป็นนิพพานหรืออะไรอาชาติอาชาติ อพยาที่อมรนะอโศกะอปริเทวเป็นต้นก็ปฏิเสธว่ามันไม่มีทุกไม่มีเนี่ยไม่มีทุกโดยประการทั้งปวงสภาวะของนิพพานเนี่ยในมหานิเทศเอขออภัยในจุลนิเทศฉันใช้คนว่าไม่มีอุปมาแต่ที่ไหนนะไม่มีอุปมาแต่ที่ไหนคือไม่รู้จะเอาอะไรมาเอาสภาวะอะไรมาอุปมากับ พนิพานได้เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งชื่อบัญญัติในโลกนี้ก็อาศัยขันห้าเป็นเป็นหลักกันนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดบัญญัติปั๊บก็เท่ากับพูดขันห้าขันห้าจึงเป็นที่ตั้งแห่งบัญญัติเป็นที่ตั้งแห่งโวหารแต่มิจฉาทิฏฐิบุคคลสําคัญว่าเป็นเป็นอะไรสําคัญว่าเป็นจริงอะ่ะนะมิจฉาทิฐิบุคคลทั้งหลายสําคัญว่าเป็นจริงอย่างยกตัวอย่างแนละ้บคุณมุชู มิจาทิฏฐิบุคคล น, นี่สําคัญว่าเป็นจริงเลยนะสาคัญว่าเป็นจริงจริงๆอะ่ะเอาเถแต่ผู้ที่เขาทําปริญญาเนี่ยผมใช่ไหมคุณบุญชูหรือเล็บล่ะเอาตัวไหนอะ่ะตอนเนี้ยยิ้มๆอะ่ะเอาแล้วถ้าตอนเขานั่งหน้าบึ้องล่ะ้อตอนไหนอตอนที้เนี่ยเขาตื่นๆเอาแล้วตอนหลับล่ะเพราะฉะนั้นาบางอย่างเป็นเป็นเฉพาะโวหารเฉยๆพันโวหารรวมๆเนี่ย ปุถุชนทั้งหลายผู้ไม่ได้สดับก็จะไม่มีการจำแนกแยกแยะไม่มีการพินิจพิจารณาไม่มีการใครใครควรวญในอารมณ์นั้นนะนะปัญญานี้มีลักษณะอะไรนะปัญญาอาโลโกปัญญาโอภาโซใช่ั้ยปัญญามีลักษณะสองสว่างฉั้นบุคคลมีปัญญาปั๊บเนี่ยถ้ามานาสิการอารมณ์อะไรปัญญาก็จะส่องส่องอารมณ์นั้นโดยรอบหมดเลยเนี่ยนะจึงจะเรียกว่า ผู้มีปัญญาหรือปัญญาก็ทั่วไปเรียกว่าความรู้เนี่ยนะอันผู้ที่มีความรู้เนื่องจากมองในสิ่งนั้นอย่างตลอดสายนิพพานนี่ไม่มีการเวลาใช่ไครับมีเวลาไหครับนิพพาน เ, าเวลาเนี่ยเอาไว้ใช้กับขันห้าเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้กับขันห้านิพพานนี่เป็นกาลวิมุตเนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกาลทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่า วัตถุทุกทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุเชื่อมกันเป็นเหตุและเป็นผลอย่างนี้ตั้งแต่เจตนาตันหาวิตกวิจารเนี่ยนะกลุ่มนี้เป็นอะไรวัดถ้าถ้ามองแบบปฏิจจสมุปบาทนะแม้กระทั่งมโนวิญญาณนะพวกมโนกับธรรมะในบางส่วนเป็นวิปากวัตมโนนะลำพังเข้าเองก็เป็นวิปากวัต พวกตั้งแต่มโนวิญญาณไปเรื่อยๆพวกนี้เป็นกรรมวัฏตันหาตันหาเนี่ยเป็นเกเลสวัฏเนี่ยนะก็เป็นวัฏตะที่เป็นไปอย่างนี้เชื่อมกันตลอดอย่างนี้ทีนี้เชื่อมเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยนะถ้าถ้าเราคิดแบบธรรมดาเนี่ยมีการไหลอย่างนี้ไหลให้มันไหลอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยนะ แล้วถามว่าวัตตาอันนี้มันจะหมดไหมมันจะเหมือนกับคลี่ได้ไหมเอาเอามวนไมพรมอ่ะ น, นะไมพรมที่ใครชอบถักไหมพรมเอามาคลี่ทิ้งเลยคลี่ไปเดี๋ยวมันก็หมดเองแหละวัตตาเนี่คลี่อย่างนั้นหมดไหมอันนั้นลิ่งคลี่ยิ่งยาวเขาเรียกว่าอะไรอะไรเอ่ยยิ่งตัดยิ่งยาวอะไรจังกันต้นถนนถนนนั้ยิ่งตัดยิ่งยาวอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าใครบอกคลี่แล้วเดี๋ยวมันจะสูดเอง ไม่ใช่วัตตนนี่ไม่มีการคลี่แล้วมันหมดมันจบมันสิ้นเนี่ยนะเพราะเป็นไปอย่างนี้ไม่มีที่ที่สิ้นสุขถ้าเป็นวิธีคิดแบบเราเราทั้งหลายทั่วๆไปเนี่ยเราคิดยังไงว่าจะจะตัดกระแสไอ้ความคิดอันนี้ได้เออตัดกระแสะกระแสะตัวความคิดเหล่านี้ได้เนี่ยนะโดยที่เรามีทุกอย่างน่าปรารถนาสำหรับเราหมดเลยเนี่ยนะ นึกไม่ออกเลยนะว่าจะจะไปไปทำยังไงนะถ้ายิ่งแบบหลับตาด้วยนะอยู่อยู่ในความคิดของตัวเองอนะ่ะกลังคิดเรื่องบางเรื่องอยู่นะแล้วแล้วแอบมองสิ่งเหล่านี้แล้วลองคิดในในตรงกันข้ามดูนะมันนึกไม่ออกเลยนะว่าจะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงมันมันพัวพันเต็มไปหมดเลยวังวนออกยากยิ่งกว่ายาบ้าอีกเลยนะคือไม่ยอมคิดสิ่งตรงกันข้ามเลยนะ เออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วนะดีแล้วดีแล้วเนี่ยนะดีแล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเป็น อ, อย่างวิวปากวัตรกรร ม, มวัตรแล้วก็ต่อด้วยกิเลสวัตรจริงๆอพวกนี้มันมันมันสลับกันไปสลับกันมานะกรรมกิเลสกิเลสกรรมแต่โดยมากก็กิเลสซะส่วนใหญ่นะขณะที่กรรมนะขณะที่กรรเกิดไม่แน่ว่าจะมีกรรมิเลสใช่ไหมเช่นกุศลกรรมเกิด ไม่มีกิเลสแต่ในขณะที่กิเลสเกิดเป็นกรรมไหมเป็นอากุศลเกิดที่ใดเป็นทั้งกิเลสเป็นทั้งกรรมถ้ากุศลเกิดเป็นแต่เฉพาะกรรมแต่ไม่ได้ว่าแปลว่าไม่เป็นปัจจัยแก่กิเลสนะไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นก็ยังเป็นปัจจัยแก่นนแก่กิเลสอีกอยู่ดีทีนี้ในสมุทัยสัจจะกล่าวว่าพวกนี้ทั้งหมดแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลก ความพอใจในสิ่งเหล่านี้หรือการเ mm. พลิดเพลินในสิ่งนี้เรียกว่าเป็นการเพิ่มวัตตะการสร้างวัตตะ mm. คือตัวตัวที่เพลิดเพลินเนี่ยนะ mm. แต่ความเพลิดเพลินก็ดีจริงๆนะคนมีบุตรก็เพลิดเพลินกับบุตรใช่ไหม mm. เมื่อไรที่ไม่รู้สึกว่าเพลิดเพลินในชักยุ่งลนะ mm. วันไหนช่วงไหนที่เพลิดเพลินกับหลานเลี้ยงหลานย่งมีความสุขเลยใช่ไหมถ้าช่วงไหนไม่มีความเพลิดเพลินโอ้ตกขนาดเลยคิดถึงเชียงใหม่แล้วมาฟังทำดีกว่าตรงนี้ลําบากภารกิจมากเลี้ยงหลานสองคนนะนะั่นน่ะยายทั้งหลายนะย า, ยากระยายอ <laughs> ดีว่ายญาพาหลานโตเพราะต้องกวนะไม่งั้นก็ยากอันนั้ ปูก็ปูบอกว่าไม่ได้เจอห ล, หลานมาหลายอาทิตย์แล้วนะนี่ <ś led> น่าเพลิดเลินจริงๆองนะแต่ว่าในบรรดาสิ่งที่น่าเพลิดเพลินที่สุดอ่ะนะเราแกดูนะความคิดอ่ะที่ที่เราคิดแต่ละวันแต่ละวันนะโอ้ยคนมันให้ค่ามากเลยความคิดเนี่ยเรื่องไหนถ้าเราคิดนะลองเราได้คิดแล้วก็ขอมานี่เป็นเอามากงี้ยนะเรื่องความคิดเนี่ยถ้ามันลองได้คิดอะไรแล้วมันไม่ค่อยเปลี่ยนง่ายๆหรอก จนกว่ามันหมดสภาพแล้วมันไม่ไหวแล้วคิดต่อไม่ได้แล้วนั่นแหละจึงจะเลิกเพราะนั้นความคิดนี่มันเป็นวัตถุที่น่าเพลิดเพลินเป็นอย่างมากเพราะนั้นใครจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการเกิดในในพบใหม่เราก็มาไล่ดูว่าเราทําปริญญาในอะไรพอที่มันให้อ่ามันมันพ้นจากการเกิดแล้วในในความคิดของเราเลยเนาะ เราเอาความคิดตัวไหนมาทําปริญญาที่เรียกว่าเราพ้นจากจากพบใหม่เป็นที่เกิดแล้วพ้าอย่างวันๆหนึ่งที่เราคิดนะบางครั้งก็อกุศลสิบพาคิดใช่ไหมบางครั้งก็เป็นมาากุศลไม่รู้ชาติไหนจะได้ชาตินักุศลบ้งางเนี่ยนะแต่ว่ารวมๆก็อากุศลบ้างกุศลบ้างภาคิดเหมือนเรายึดติดแม้กระทั่งในกุศลเนี่ยนะ ถามติดในกุศลเนี่ยติดยังไงก็ติดในกุศลบอกโหเนี่ยนะถ้าบุญตัวนั้นให้ผลนะโอ้สบายแน่งานนี้ใช่ไหมก็ยิ่งถ้าได้ฌานด้วยยิ่งติดมากฌานกุศลนะถ้าคนได้ฌานติดฌานเนี่ยติดจนติดจนไม่ต้องเอามาปริญญาอะไรละขนาดยังไม่ได้ฌานเนี่ยมหากุศลมันเกิดสงบสงบหน่อยนะยอมเขาเล่าว่า พอสงบสงบแล้วมันไม่อยากพิจารณาอะไรเขาบอกมันอยากสเสวรรความสบายอย่างนั้นไปเขาบ่างั้นใช่ไหมถ้าสมมติมหากุศลเกิดแล้วเอามหากุศุนตัวนั้นมาพิจารณาเช่นมเช่ชนปีติในกรุสุนเนี่ยนะปีติไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรคุณบุญชูเคยเอามาคิดอยังนะอยังอะนะถามคนปีติบ่อยๆนะ นะสบายถ้าไม่มีปีติก็เดือดร้อนอีกแล้วไม่เคยเอาว่าปีติก็ไม่เที่ยงอันตัดใจปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมนีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมนาก็ก็ไม่ค่อยคิดใช่ไหมเมื่อไหร่จะได้ปีติแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคือคือโดยปกติทัทว่วๆไปเนี่ยเราไม่ได้เอามาทำปริญญาเพราะวัตถุเหล่านี้แม้กระทั่งกุศลหรืออกุศลจึงเป็นที่ที่ที่อาศัยเกิดแห่งพบใหม่ สมมติถ้าชาวนาก่อนตายคิดถึงกุศลอกุศลเหล่านี้เนี่ยนะอันนี้เป็นอะไรอะไรกรรมมะอารมณ์พวกนี้นะีในฐานะเป็นกรรมะอารมณ์กรรมมะอารมณ์มมอมของพบใหม่ไม่รู้คิดถึงถ้าคิดถึงอกุศลก็กรร ม, มอารมณ์ของพบใหม่ที่ไม่ดีคิดถึงกุศลก็เป็นกรร ม, มะอารมณ์ของพบใหม่ที่ ที่ดีนะก็เพราะเราไม่ได้ทําปริญญาเลยน ะ, ะถ้าขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าการเรียนธรรมะทั้งหมดเพื่อให้แทงตลอดบทอันไม่ตายใช่ไหมบทอันนั้นก็คืออริยสัจสี่เนี่ยนะมโนมโนสมุทยัยมโนนิโรธมโนนิโรธคามินีปฏิปทาธรรมะธรรมะสมุทยัยธรรมะนิโรธธรรมะนิโรธคามินีปฏิปทาวิญญาณวิญญาณสมุทยัยวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธคามินีปฏิปทา เวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธทาขามินีปฏิปทานะสัญญาสัญญาสมุทัยสัญญานิโรธสัญญานิโรธคาขมินีปฏิปทาเจตนาเจตนาสมุทัยเจตนานิโรธเจตนานิโรธคาขมินีปฏิปทาตัณหาตัณหาสมุทัยตัณหานิโรธตัณหานิโรธคาขมินีปฏิปทา วิตกวิตกสมุทัยวิตกนิโรธวิตตกนิโรธาคา ม, มิหนีปฏิปทาวิจารวิจารสมุทัยวิจารนิโรธวิจารนิโรธาคา ม, มิหนีปฏิปทาอยากให้เหลือย่อไหมเหลือย่อก็ทุกทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขานิโรธาคา ม, มิหนีปฏิปทาเนย่ออะไรถ้าเป็นอีกแนวหนึ่งก็อะไรเหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสระณะนะ โดยเฉพาะนิสสรณะเนี่ยถ้าแทงตลอดนิสสรณะนั่นแหละจึงจะจึงจะหลุดพ้นทีนี้ถ้าเราไม่เคยเอาพวกนี้มาเป็นที่ตั้งแห่งการทำปริญญานะตัณหามันเกิดจนไม่รู้มันอะไรมันถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ชนิดที่เรียกว่าโอ้โหยางนี่ชุ่มปุ๋ยก็ดีเคยปลูกที่สวนที่หลังบ้านมันเคยมีต้นมาเดือดขึ้นไหมเดียะโอ้โหจับได้ที่ไหนสกิดสกิหน่อย อย่างออกมาแล้วพันลักษณะดินงาตันหาก็ลักษณะนั้นนะ่ะเพราะพวกนี้ถือว่าเป็นดินอย่างดีของตันหาเป็นที่อย่างดีของตัหาเลยพัะความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวเป็นตัวนำเกิดในในภพใหม่ น, นะแล้วก็การปรารถนาภพใหม่ก็ปรารถนาอะไรก็ปรารถนาพวกนี้หละปรารถนากระแสะแห่งวัตฏะนะสาธุชาติหน้าขอให้มี เกิดมาเป็นคนใจดีกว่านี้หน่อยอย่างง้ไขอให้เป็นคนมีความสุขขอให้ชาติหน้าจัใจดีๆจําแน่นเลยขอให้ชาติหน้าได้เจริญกุศลอีกต่อไปขอให้ชาติหน้าได้มีความสุขกับลูกกับหลานขอให้ชาติหน้าอขอไปเ้ว่อยเลย ระวังเลยกลับมาเป็นหลานเขาจะลำบาก